ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภายในเรือนแห่งตระกูลใดบุตรบูชามารดาบิดาตระกูลนั้นชื่อว่ามีพระพรหมภายในเรือนแห่งตระกูลใดบุตรบูชามารดาบิดาตระกูลนั้นชื่อว่ามีเทวดาคนแรกภายในเรือนแห่งตระกูลใดบุตรบูชามารดาบิดาตระกูลนั้นชื่อว่ามีอาจารย์คนแรก ภายในเรือนแห่งตระกูลใดบูตบูชามาดาบิดาตระกูลนั้นชื่อว่ามีบุคคลผู้คนนมของมาบูชาคำว่าพระพรหมคำว่าบรพาเทวดาคือเทวดาคนแรกคำว่าบรพาาจารคืออาจารย์คนแรกคาว่าอาหุนยะคคือผู้คนนมของมาบูชา